ฉะนั้นพวกเราท่านที่ตั้งใจมาประพฤปฏิบัติขอจงตั้งหนา้าตั้งตาจะทําบําเพ็ญอย่าไปคิดว่าศาสนามันหมดมักหมดผลคนผู้ประพฤปฏิบัติเท่านั้นหมดหมดมักหมดผลในตนจึงสงสยัยศาสนามันไม่เสื่อมทำดีในมันไม่เสื่อมคนเสื่อมจากการประพฤปฏิบัติถ้าเราคิดอย่างนั้น ล้วก็ต้องปรับปรุงกายใจของเราบังคับเขา้าสู่อัดจู่รมต่างหน้าต่างตาที่นิดทิ่เจนาละถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวเป็นภัยอันตรายแต่ทำบำเพ็ญสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ไว้จะทำให้ไปสู่ความบริสุทธิ์เมื่อทุกคนตั้งมั่นอย่างนั้น ลงมือประพฤติปฏิบัติการจริงจังก็จะรู้จะเห็นในจิตในใจของตนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นเรืเ่องสําคัญศาสนาไม่ได้อยู่ตามวัตถุภายนอกนั่นมันศาสนานอกในแต่ศาสนาในขอสําคัญขอให้ประพฤติปฏิบัติ จิตใจให้เห็นให้เป็นให้ดีให้เด่นเท่านั้นอะไรจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีการสงสัยในตัวของตัวแล้วเป็นพออยากจะสอนคนอื่นกาสอนได้ไม่อยากสอนงับปากไม่พูดอะไรกพราไม่มีทางเสียหายนี่คือการเห็นการเป็นภายในใจมันเย็นมันสบายทั้งเวลาที่มีชีวิตอยู่ ทั้งเวลาที่สิ้นชีวิตไปไม่มีอะไรสงสัยในภพชาติจะกลัวภพกอ่อชาติอีกอย่างไรนั้นไม่มีอะไรแจะสงสัยในจิตในใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นขอทุกท่านจงนำไปพิจารณาศึกษาตาั้งหน้าประพติปฏิบัติต่อแต่นั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียแล้ว อ, อยุติเพินงเทนี้เองว่าง สนายท่านไหนสบายกันนะ <c oughs> หน้าไปเลยภาวนาไปในตัวการตั้งธรรมะสุขาสุขคนสคยได้ะระดับรฟังกันมาแต่มันก็ไม่อินไม่พอเพราะการปฏิบัติของตัวยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจริงให้ธรรมะที่กันเนีงใยใจสอนใจ มันเป็นธรรมะของท่านที่ท่านต่อพื้นปฏิบัติมารู้เห็นอย่างไรท่านกคนนี้นำำําำสอนเราไปเพือยากจะให้ผู้กระดับรับฟังได้รับอารับทำที่ท่านรู้ท่านเห็นเรายังรู้ไม่เห็นยังไม่เ็นในใจฟังแล้วก็บางทีก็ได้รับผลรับประโยชน์ให้จะขอสงสัยเป็นบางสิ่งบางอย่างจนเราคิดในออกแก่ใน่า คำแสดงไปล้วก็คอยรับความรู้ฟังองใจไปมหมายถึงความรู้บางสิ่งบางอย่างสิ่ของใจหรือบางทีผ่านแนะนำสั่งสอนไปจิตใจของเราเอาใจใส่ตั้งใจฟังไม่จีบจุนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอืนอ่นจิตใจก็มีทางที่จะสงบละงับให้นี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่ง บอกเราฟังกันมาบางทีฟังไปฟังมาลำคานอาไรกันจะจบจะสิ้นจะหยุดจะถอยในการแสดงธรรมมันเกิดเบื่อในการฟังอย่างนั้นมันเป็นโทษเป็นทุกข์เพราะการนัง่งฟังรรมะเหมือนเหมือนการนั่งคุยกันนั่งคุยกันมัน เพิ en, eleven, flavor, it, <'s> ่มมันลืมมันหลงเวลาอจิตของเราิดหาอย่างนั้นมาคุยอย่างนี้มาคุยสนุกหรือกดไูมหาลก์ต่างๆเวลาหมดไปต่างหลายชั่วโมงก็รู้สึกว่าามันถูกที่เลของตัวอเหมือนแ่เดียวๆตอนนั้นนดูนานอะไร ใจมันสมุกใจมันชอบใจมันเพลินในสิ่งนั้นแต่มาดูเวลาแล้วก็หมดไปทั้งหลายสมโสมนีม่คือคนหลงคนเพลินในเนรื่องหมาสกการทําความสงบของใจการปฏิบัติธรรมดีในในทางธรรมะก็มีแนวอันเดียวกันถ้ า, าพวกเราท่านเข้าถึงธรรมะเกิดเชิงในธรรมะพิจารณาธรรมะ มันเทินไปอะไรที่ของใจต่างๆมันหยิบยกขึ้นมาแล้วมันก็เกิดปัญญาตัดอารมณ์ปัญญาตัดปัญหาหนันนั้นตกไปตกไปขวหาอันใหม่ที่มันเคยติดข้องที่มันเคยหลงไหลนามาคิี้ปแก้หนาอีกอันนั้นตกไปหาอันใหม่มาเรื่อยเทิมอยู่ลืมหลับลืมนอน เดิมก็ลืมเหตุลืมเหตุนี่หมายถึงผู้ที่เพลินในธรรมะเป็นไปได้มันเห็นสติปัญญาของตัวที่มันเกิดขึ้นส้ามาสาดฟันปัญหาที่เหลือต่างๆมันขาดออกไปตกออกไปมันเลยลืมวันเวลาลืมหลับลืมนอนไปนั่งก็ลืมลุกไปพอวันเทมิน ในการขนคิดที่นี้พิจารณาทำ ท, งทมมางธรรมะทางเหยียกอุเทจือสุ่งไปในเรื่องวงของธรรมมันเลยุ่นแบบอุทเออทจะรึซึ่งไปในเรือ่องอของอัดของธรรมอะไรสงสัยขวาออกมาที่นี้พิจารณามันตกออกไปขาดออกไปยังกุเลยเ์เชน ในความเจนความเห็นของตัวหนี่ไหมถึงผู้ที่มีจิตเจนธรรมะเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาแต่มันจะถึงขั้นนั้นมันก็ต้องเรียนเยี่ยมไปเชื่อก่อนถึงจะขั่นกรถมเหมือนเราสี่เรียนหนังสือก็ใก่ก็ตาเป็นหนึ่งตนเรียนกันไปกว่าจะจบกรถมมัธยมอุดมปริญญาเนี่ยก็ เวลานานพอสมควรกว่ามันจะไปได้มีการฝึกจิตใจฝึกใจฝึกหัวใเราขันเป็นทุกข์าปฏิปทาการทาปัญญาคือปฏิบัติยากปฏิบัติเป็นทุกข์ลุกช้าเมืก่อนทำนองนั้นจะต้องศึกษาไปที่เจรณาไปเห็นไปกู้ไปในความเป็นยิ่งของอัดข้องทำที่เรากว่พื่อปฏิบัติ พอหยุดไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ในหยุดในถอยมันก็ก้าวไปเด็กไปเหมือนกันอย่างเต่านันเดินในหยุดในถอยมันก็เอาชะของกระต่ายได้กระต่ายวงเล่นจนนอนอยู่ไปเหนื่อย็คงได้ชัยชะเพราะเต่ามันเดินหน่น้ำ่นอย่างนั้นเลยประมาทพานี้เต่ามันานไปอยู่ ไม่หยุดในถอนก็เลยถึงก่อนในการปฏิบัติของพวกเราท่านก็ท่านน้องเดียวกันท่านปุตติมีสติปัญญาถือว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเวลาใดก็ได้ในกองหยิบร้อนอะไรเจ็บเจ็บตายเผาแฉเชื่อก่อนจึงเข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติปฏิบัติง่ายง่ายปฏิบัติสะดวกสบายความคิดความเห็นอย่างนั้น มันอาจจะผลาดไปผิดไปเพราะชีวิตของเราท่านนั่นไม่มีเครื่องหมายนายประกันอะไรถึงการถึงสมัยหรือไม่มันไม่ว่าคนนี้ต้องมเรียนิทักษ์ที่ปฏบัติศาสนานี้อาจมีทําอะไรควรจะเอาเข้าไว้ใหโทษโดยที่ปฏิบัติได้ดอกผลในการเสื่อเชือ่อก่อนจึง่อตายไปคนนี้ปฏิบัติพนะอสมควรแล้วจะเอาคนนี้ไปกล่องมันไม่เดีย ว, ว่า คามตายในเลือกมน้าใว่าผู้หญิงม่ว่าผู้ชายไม่ว่านักบวชม่ว่าพลวัตฉะนั้นการปฏิบัติเร่องจิตใจจเป็นเรื่องสําคัญที่ควรต้องพิจารณาเอาไว้ถ้าจิตใจไม่มีอัตธรรมถึงสมบัติเสาร้องจะมากมายจายกองขนาดไหนก็อาศัยได้เป็นเมื่อมีลมหายใจอยู่แถวนี้ตายไปแล้วไม่มีสิทธิจะ หากจะเข็นไปได้เพราะสมบัติของโลกจะอยู่กับโลกเรืยไปส่การปฏิบัติใจปฏิบัติอาธิธรรมนั้นมันเป็นสมบัติของเราเราปฏิบัติได้จิตใจของเราสุขจิตใจของเราสบายเมื่อเราตายไปเราก็ไม่ได้เสียใจเพราะจริงๆเราทําเอาไว้มันมีอยู่ในจิตในใจของเราถึง มีมากมีน้อยขนาดไหนเราก็ทราบในจิตในใจของเราตายไปเราจะเป็นอะไรเราทราบเพราะจิตใจปัจจุบันบ่งบอกอยู่แล้วมันมีทุกข์มีโทษเดือดร้อนวุ่นวายในสุขไม่สบายเถึงเขาของเงินทองเพื่น้องญาติมิตจะห่อหุ้มอยู่กับตังแต่ควาไม่สบายในจิตในใจมันวุ่นวายเดือดร้อนก่าศก่าศ ในมีอขี่เกาะขี่อาใสแบบนั้นมันก็ไม่อยากตายเพราตายไปในสาวเราจะต้ตก ส, สถานที่ใดไม่เห็นอนาคตของตนเราจะเป็นอย่างไรคนเขียนใหญ่ที่ร้องให้เสียใจยในการหล่นตายคลองตัวมันเป็นแบบนั้นเพราะคิดว่าตายไปแล้วจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลา บุญซึมทานในนี้โอกาสในนี้เวลาที่จะเข้าวัดเข้าวาจีเมศีลภาวนาแต่มันเตรตายแล้วมันถึงคอยนึกคอยคิดกันตอนที่มีชีวิตอยู่ธรรมดาร่างกายพอเป็นไปทาคุณประโยชน์ได้มันไม่ได้คิดทานองนั้นมันมัวเมาฝ้าฝันเถิดเชิญในเลี่องของโลกเรื่อยไปพอเตรียมใจตายจึงอได้ มันก็มีการทานการสมัยให้การจึงเฮรี่แต่ทาบําเพ็ญเอาไว้คุณงามความดีเมืยอเราทําเอาไว้มันไม่หนีไปไหนมันจะไปจำอยู่ในจิตในใจของเราการตายมันมีเนืองกันความแก่มันมีเหนือนกันความเจ็บมันมีเหนืองกันเพราะการเกิดมาไหนว่าสัตว์ไอ้ว่ามนุษย์ สิ่งเหล่านี้มันเป็นปฏจจธรรมเป็นของจริงแต่จำาตขันทุกท่านจะต้องประสบพบเห็นโดยกันทางนั้นเจอนันก่อนยอมรับความจริงของมันถือว่าเรายังหยังน้อยอยูอย่อยังไม่สมควรจะล่มหายป่วยตายไปมันคิดไปทำนองนั้นมันเป็นเห่ยง เ, เหี่ยงธาตเรื่องขันธ์ ไม่อยากล้มอยากตายไปแต่ท่านผู้ปฏิบัติกายใจของท่านท่านไม่เลยหลงไหลไปฝันเหมือนพวกเราพร้อมเสมอในการอยู่การไปของท่านใน่มีอะไรที่จะเสียหายไปนไปจากตายอันนี้หากเรามีบุญบารมีเคยสะสมเอาไว้กายอันใหม่ที่เราจะได้ เราก็พอมองเห็นเหมือนกันกับคนสร้างบ้านใหญ่ๆเอาไว้จะจากกระตอปไปมันไม่มีการเสียใจอะไรเพราะแต่ตอปคิดว่าพักเราอาศัยมันในสะดวกสบายโถบ้านหลังทางหน้าที่เราจะไปพักอาศัยนี่ท่านพี่ยังไงถึงรีโติที่สุดนิพพานก็ทำนองเดียวกันเพราะสะสมบุญกุศลเอาไว้ตายจากมนุษย์ไปก็จะได้เกิดที่สุดที่สบาย ไปเกือเปนเทวบุตรเทวดายินพอมต่างๆมันทราบมันเข้าใจมันที่ไใจเยอะใจในการตายไปยิ่งผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดิที่นยึดมุตในจิตในใจแล้วนั่นไม่มีทางที่จะสงสัยพบชักเด็ดทำลายขาดไปจากจิตจากใจไม่มีอะไรที่จะหลงไหล จิตข้องอีกทราบอยู่ในตัวของตัวที่ประทินปฏิบัติในส่วนคนอื่นจะเอาใบประกาศนิยบัตรมาติดให้ว่าท่านเป็นพระโซดาเศริฐีทาตานาท่าท่านตายไปกันจะไปสวรรค์สัรรฟ้าอย่างนั้นอย่างนี้ในต่อหาใบประกาศจากที่อื่นมันเกิดมันเห็นมันเจนมันรู้จากการปฏิทิปฏิบัติของตัวมีอัตธรรมของพระพุทธเจ้า คืว่าสันติโกสิหัวเาสวดมามันเห็นเองโดยการปราคิดปฏิบัติท้องตัวมันเชื่อก็รู้จักมันโกรธมันโลภมันหลงเรรู้จักมันสงบมันเย็นลงไปเรารู้จักมันละเอียดขนาดไหนแล้วก็รู้จักมันหยาบขนาดไหนแล้วก็รู้จักถ้าเรามีสติตรวจตาที่เจรนาใจแต่การปฏิบัติธรรมะ ต้อเป็นโอปะณียโกคือน้อมพอามาดูใจดูใจของตัวดูภายในของตัวว่ามันชั่วมันดีอย่างไรให้ดูภายในไม่ไป ด, ดูภายนอกเมื่อดูภายในมันก็เห็นเป็นสันสิตธิโกรหรือปัจจิตังนี่โดยส่วนใหญ่เราก็ฏิบัติหรือลราเกิดมาไม่เคยเดือดเดือดตาเดือดใจของตัวว่ามาณชั่วมันดีอย่างไรคิดไถ่แต่เรื่องอื่นทางนอก หือว่าเป็นภาระหน้าที่สําคัญยิ่งกว่าใจของตัวไหแล้รักษาใจเอาไว้ว่ามันดีมันชั่วอย่างไรเหตุนั้นใจจึงสะสมเรื่อความชั่วมากขึ้นมากขึ้นทวีคูณขึ้นพัดผมจนมองไม่เห็นใจของตัวเองว่ามันเป็นอะไรเพรใจมันหนัหนาไปด้วยอวิชชาที่เหล ถ้าหากเราหมั่นําละสะสางอยู่เรื่อยๆใจมันค่อยจะเบาบางไปจะผ่องใสขึ้นนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเห็นธรรมะมีอยู่ในจิตในใจของตัวชั่วที่เคยมีแต่เก่าก่อเราก็ได้ละได้ถอนออกไปดีอย่างไรที่พระพุทธเจ้าแนะนําสอนเราก็สะสม เอามาไว้ในจิตในใจของตัวนี่ความในประมาทพยายามถือโอกาสรักษาจิตรักษาใจทั้งตัวอยู่ตลอดเวลาก็เห็นเรื่องธรรมนะเห็นเรื่องของใจเป็นของมีคุณค่าตาราสูงยิ่งกว่ายิ่งทั่วไปพอใจสุขใจสงบถึงจะมีเข่าของเงินทอง ก่ตงไปพักภาอาศัยในมีลาสาาธีมันสติวิหารที่อยู่กว่าต่างพอใจท่านสงบใจท่านสบายใจท่านเย็นในอัดในธรรมแล้วท่านก็สุขท่านก็สงบจงตังข้ากับใจเดือดร้อนใจวุ่นวายใจสุ่งจ่งนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่าง ถึงไปอยู่ในสถานที่สวยงามหรูหราใหญ่โตขนาดไหนก็ตามใจนั้นแทนที่จะยินดีสุขสบายสงบเย็นมันไม่เป็นไปให้ท้าใจมันมีอารมณ์สัญญามีคีเลสปัญหาโลก์กวนอยู่คนเดียวก็เป็นอยู่กับพรรคพวกตั้งมือตั้งแขน เพราะสัญญาอารมณ์มันนะรบกยนอยู่ไม่มีหยุดมีถอยมันก็เลยยุง่งเลยลำบากไม่มีความสงบไม่มีความเย็นจากคนมีอาจมีทรรมไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นในสมัยพุทธกาลภาริยะเจ้าถั่วไปชันจึงอยู่ตามป่าตามเขา ทั้งทั้งกี่อดอยากอยากจนไหนว่าอะไรทุกอย่างลำบากอยู่ตามป่าหยุบยายจะแจะก้ไขโรคไครก็าหายยาอาหารการขบขันก็ค้นบ้านป่าจะไปหาอาหารแตมีดิดดีมาจากที่ไหนก็มีอะไรควกก็ให้ตามท้านนหน้าหน้าขี้ของเขาี่อยู่ที่อาศัยเหล่รฝนไม้ อยู่ตามทำตามเงื่อนผ้าต่างๆแต่ท่า น, า อ, น, าานอาศัยอัดทำภายในใจผ่านจึงอยู่ได้ในห่วงให่ ท, ท, ทั้งๆที่บางขันบางองออาาค์ออกมาจากส ก, กูลกษัตริย์ออกมาจากสกูลเศรษฐีเคยมีความสุขความสบายในอาณิจักรเพียงพอบริบูรณ์เมื่อออกมา การที่ปฏิบัติอาจทำรูร้เห็นเป็จนจริงในจิตในใจเพราอาจทำเนื้อเรื่องอามิธเหนื้อเรื่องของโลกทวามจึงอยู่ได้ไม่อย่างนั้นก็ห่วงใยอยู่ไม่ได้ในสุขไม่สบายเหมือนบ้านช่องของตัวมันจะคิดจะปรุงไปอย่างนั้นเหมือนคิดมาปรุงไปมากมันก็อยู่ไม่ได้ทไ น, นไม่ไหวจะต้องไปตามอารมณ์สัญญา ที่เด็ดจำหาของตัวนี่ทํานเนี่เป็นอย่างนั้นอาหารการแข็งพอประทังชีวิตเป็นพอที่อยู่ที่อาศัยในใหญ่โตก่อตั้งแต่สถานที่มันอำนวยความสะดวกสบายให้คือประจิตใจมันสะดวกสบายพิ่เจรนาอาจทำมันง่ายมีกําไรในการอยู่ของท่านท่านจึงมีเทิน เหนื airborne, Tam, am, Same, ่อยหลงใจตามสัญญาอารมณ์ที่มาหลอกลวงเกี่ยวยุติใจของทัศอารมณ์เสื่อมไปที่เจอจิตคล้องอยู่ในจิตในใจที่จะละถอนอารมณ์หนนั้นให้จบไปท่านปฏิสิทธิปฏิบัติเกี่ยการละถอนอารมณ์สัญญาพิเลนต์ปัญหาในสะสมเรื่องอะไรทั้งหมดเมื่อมันสะดวกสบายละไปได้ถอนไปได้ มันก็เหมือนกันกับโรคภัยอยู่ในกายโรคมันหมดไปเท่าไรดับไปเท่าไรกายก็ยิ่งมีกําลังมีความสุขการสบายสิ่นเท่านั้นใจของพวกเราท่านก็ํานองเดียวกันโรคภายในที่โรคที่เหลือปัญหามันลบวังใจเราจะมียาขนาดไหนมารักษาให้โรคภัยทางใจของเราสงบลงนับ มันไม่มีอะไรอื่นจะเป็นยาเศษยิ่งกว่าธรรมะขี่พระพุทธเจ้าทรงสองคือสติปัญญาเรื่รู้อยู่ตลอดเวลาเฝาดูอยู่ทุกระยะว่าจิตของเรามันคิดมันตรุงอะไรเดี๋วเอาปัญญาวิจัยวิจารณ์ดูว่าการคิดการนึกในอารมณ์ น, นั้น มันเป็นอาจเป็นธรรมหรือมันเป็นอาจธรรมจะทําความช่วเสียมาให้หรือจะนรรําความปุกความสบายมาให้ผู้มีปัญญาผู้มีธรรมจะต้องวิจัยวิจารอารมณ์รรมสัญญาตั้งฐานจิตรขึ้นจากจิตใจท่องตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลานี่คือการรักษาธรรมนะรักษาใจท่องตัวถ้ารักษาได้แก็ใช้ได้ จะไม่มีอะไรที่จะสงสัยในการละการบำเท็ญตอนนั้นมันก็หมดปัญหาในชีวิตจะอยู่หรือจะตายก็ไม่ผิดหวังอยู่ใปก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นอีกกว่านี้ตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปเพราะความบาดชนะความสิ้นทุกข์ มันไปจากในจิตในใจอยู่ไปมันต่เสียงแข็งเนี่ยจะอยู่ไปกี่เมี่อวีแฉนทีมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดดีว่าเกิดขึ้นกว่านี้ตายไปเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปแข็งจึงม่มีปัญหาในตัวของท่านไม่ได้ห่วงใยอะไรหมดเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกําลังหิ้วกำลังรับทานอยู่ มีคนอื่นหยิบยกอาหารที่เรายังทานไม่อิ่มออกไปเราเสียใจเพาะเรายังไม่อิม่มบางทีก็ข่าตีกันด่ากันเพราะกำลังขบขันหรือกําลังรับทานอยู่ยังไม่อิม่มเลยหยิบออกไปยกออกไปส่อหน้าสอตาทั้ ง, งทั้งที่ต่างหน้าต่าต า, ตารับทานยังไม่อิม่มอะไร มันเสียใจถ้ามันอิ่มแล้วเขายกออกไปเยกไปเธออาหารยังจะเหลืออยู่น้อยมากขนาดไหนก็นยกออกไปถ้าเราทานอิ่มจนองของเราแล้วเขายกออกไปดีใจล้วจะไม่เจ็บในรักษาไม่ยกออกไปเราก็เป็นภาระที่จะเจ็บจะรักษา จะลำบากต่อไปนี่ภาดขันของภาริยะเจ้าผูกกับพื่อปฏิบัติถึงขี่เสื่อมมุมดก็ทานองเดียวกันทำอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะอะไรทุกเพราะปันแจกขันของท่านเจริล์นภายในของท่านจริงจังที่จะเกิดทุกข์เกิดโทษนั้นมันไม่มีจะอยู่ในสถาน ที่ในขาดม่ขันมันมีทุกคือมันมีหิวนี่เหน็ดนี่เหนือหน่อยเพราะเรื่องของขันรูปก็ดีเวทนาก็าดีสัญญาทั้งขานยืญญาณก็ดีมันยังมีอยู่สิ่งเหล่านี้มันยังมีมันไม่ได้หายไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีก็ต้องดูแลรักษาตามหน้าที่ เมื่อชินเหล่านี้หมดไปคือหมดลมหายใจต่างคนต่างไปเป็นอยากตายไปถึงขาดขันท่านไหนมีภาวะอะไรอีกท่านชิ้นสุขยิ่งสบาย ในมีอะไรที่จะเป็นภาระหน้าที่หนีไม้ถึงปุ๋ย ท, ที่ถึงจุดสุดในการประพฤติปฏิบัติขันในห่วงใยเหมือนพวกเราัูกไฟพวกเราเห่วงใยใครยังอยู่ในตายไปใครจะเด็ประพฤติปฏิบัติบางทีอาจจะได้ขันนั้นขนี้ความคิดในจิตในใจมันจูงไปแบบนั้นมันจึงห่วงขาดห่วงขันแต่มันก่อ เราลุกนกได้ในเหนือเวลามันป่วยหนักมันจะตายเหนือมันเป็นอยู่ธรรมดาไม่เหนื่อยตื่นตื่นตาที่นี่พิจารณารักษาความเป็นอยู่ของเราตื่นเช้า็นเย็นขนาดนี้วันเวลามันหมดไปความดีของใจเรามีอะไรบ้างในวันนี้ที่จะสะสมเอาไว้ในตื่นตาพิจารณาไหมเหนือมันยังไม่มี เล่งแต่ทำบำเพ็ญให้มันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นเพราะไม่มีในธรรมมันก็จะไม่มีอยู่อย่างนั้นถ้ามีอะไรหามาใส่ทำให้มันมีมันถึงจะมีได้เพราะวันคืนมันหนกคอยครมันไปตามหน้าผีของมัน ขขันกับธรรมนองยวกันมันไม่คอยกับคนนั้นจะไม่สรงสมอบรมคุณงามควาดีอะไรจะไม่แชร์ในตายมันไม่ว่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างของชาติของขันอย่างวันเวลาเวลาวาลีในเคยคอยใครถูกของเขาแต่เราก็อยากจะยึดเอาไว้ว่าเราจะทําอะไรจากจะใหชีวิต ยิเวลานั่นหละมดไปอยากให้มันยังหมุนยังสาวยังเด็กยังเล็กอยู่ต่อเมื่อไดเราได้ผลกําไรในการเกิดคือการปฏิบัติพอสมควรแล้วมันจะหมดไปกอให้มันหมดไปเถอะแต่เราจะไม่ได้อะไรนี้ยังไม่อยากจะให้หมดไปยังไม่อยากจะให้เมื่อให้ทำจิตกลางงานของเราทำยังไงต้งเล็ก มันคิดทนอนั้นแต่ก็คิดบ้าๆบอๆของเราเองมันไม่เคยฟังเสียงเรื่องความคิดของเราหนาขีดของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหนาขีดของมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนนะฮะพวกเราประมาทเรื่องขนความดีเรื่งใดที่จะเป็นความดีให้รีบทํามแค่แต่วันนี้เดือนนี้ ไน่ต้องขาดจากอนาะคตเชียกว่าวันนอนวันวนี้เชียกว่าเดือนนั้นปีนี้เชียกว่า อ, อย่าไปคิดทํานองนั้นถ้าคิดทํานองนั้นมันผิดมันพลาดไปได้คนผิดพลาดไปในเรื่องเหล่านี้นับไม่ได้เราก็จะเป็นคนผิดเชื่อกิเลสถือกิเลสคือไงเนแ่ะสอนเป็นศาสดาในถือพระพุทธเจ้าในถือธรรมะ ผู้ทานริยสงฆเราจึงหลงเชื่อมันอย่างนั้นเราต้องเตรียมตัวของเราเอาไว้อะไรควรได้ควรถึงความเป็นควรไปจต่ทามันเป็นให้มันเย็นมันเป็นมันเย็นมันสงบในคนอื่นจะช่วยเหลือเราได้เหมือนกันกับทานอาหารถึงจะเอาหลังพิงกันอยู่คนทานเท่านั้นจะอิ่มคนผิดพิงอยู่นั้นในมีวันเวลาจะอิ่มแต่เข้าไม่ทาน มีการอยู่กับครูกับอาจารย์อยู่ในวัดในลานในศาสนากับพนองเดียวกันคนที่ทำความเพียรเท่านั้นที่ะละที่เหลือปัญหาที่จะเห็นสีนสมาธิปัญญาวิมุตติไม่แต่คนมานอนปีพุ่งจินแล้วที่เหลืปัญหาจะตกไปผ่านง่ายแบบนั้นพระพุทธเจ้าคนเนึสอนธรรมะธรรมโเหตุไทยว่า มีความเพียรพยายามต่างหน้าต่างตาแลวเฉื่อบมบำเพนดีเสมอสอนเพราะเขามาอยู่ในวัดในว่ามาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วที่เดี๋ยวปัญหามันตกไปหล่นไปหมดไปมันในเป็นอย่างนั้นมันต้องอาศัยพวกเราท่านผู้มาปพะ่อปฏิบัติลามือกับทำบำเพนกันจรงิงจังก็จะแก้ไขขัดไล่จิตใจที่เฉ่เสีย อารมณ์ที่ขย้่ยอายุต่างๆให้ตกออกไปเมื่อเราตั้งใจก็พึ่งปฏิบัติตามอาจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่อตังมาทุกวันทุกเวลาดูจิต ด, ดูใจของตัวอยู่ตลอดเวลาจึงทขี้แวขีอเสียเกิดมาตัดเ่ามันออกไปขี้ใหม่ใน้องขว้าเข้ามายิบใจถี่มีความชั่วอยู่ เก่าก่นก็พยายามละถอนออกไปความเชื่อใหม่เห็เพื่อนเติมมันก็หน้าวันหมดวันแห้งเรื่อยไปเหมือนกันกับน้ำในตุ่มในไหอยเรามีจะตัดออกมันก็มีวันแห้งเหมือนน้ำในบ่อถึงมันมีตายน้ำไหลมาตัดออกแล้วมันก็ไหลมาเพิ่มอีกออกมาเพิ่มอีกนั่นมเป็นแบบหนึ่ง หนึ่งเจตจิตใจของพวกเราท่านถ่ารักษาอย่างนั้นคือห้ามตั้นอารมณ์ที่เฉื่อเสียภายนอกมาหยุ่งเกี่ยวด้วยสติรู้เข้าใจว่าอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นมีปัญญาที่ไม่พิจารณา ส, สาั่งคือตัดออกห้ามตั้งในความชัื่อภายนอกเข้ามาในนี้ความเฉื่อภายในยที่มีอยู่ พยายามขนออกปากออกมันก็แห้งก็หมดอย่าความชั่วความดีเล่าเมื่อความชั่วหมดออกไปความดีก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ความเห็นมันเกิดมันเห็นมันเป็นมันรู้พอทำไหมของพระพุทธเจ้า่นี่โมฆะเป็นของจริงถู้ทำ ผู้บำเพ็ญย่อมเห็นยอมรู้ในตัวของตัวไม่อย่างนั้นศาสนาต่อทางไปในยืนโยงคงมาถึงขนาดนี้ถ้าเหตุใดถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติไปไม่ได้คุณค่าสาระอะไรตอบแท่ใครเล่าจะมาปฏิบัติอย่าง ง, ง, งมงายนี่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติ เห็นคุณค่าสาระในการ ก, ททก ร, ะระทํำของตนพอชุดประจีบใจเห็นผลคือความสุขความสบายความรักความถอนความสงบของจิตเป็นอย่างไรผี่พระพุทธเจ้าเล่าไว้ว่าเป็นสมาธิท่านก็เห็นก็เป็นในท่านปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากจิตจากใจเรียกว่า ภาวนาะมายับปัมยามันก็เกิดขึ้นคุณมาเดีไปศึกษาเอาเรี่นมาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจของท่านที่จะทำบำเพ็ญสงสัยอะไรที่จ้นะเข้าใจในสิ่งนั้นเมื่อเข้าใจมันก็ละก็ฝ่อยก็ว่างในสิ่งเห่านั้นให้จบไปไม่มีปัญหามายุ่งเกี่ยวกับใจอีก บางสิ่งบางอย่างเราเคยเลยขาดสรรค์นึกคิดเอาไว้มันก็ฝุดขึ้นไหมบอกขึ้นมามมันจะเป็นอย่างไรในสิ่งเหมนั้นมันบอกขึ้นมาก่อนคือมีธรรมะในใจมีพุทธะในใจรู้ชงไว้สิ่งความรู้ของใจมีเชื่อต่างต่างแน่แน่ทราบทุกระยะไม่ได้เถอน เหคนที่ฝึกใหม่ด้วยคนที่ไม่ฝึกเจเลยโดยแม่ผเรามันทาจิตทำใจเป็นถังขยะอะไรมาก็เจ็บอาหมดแต่ถังขยะโด้มาบ้างก็นําจะของเน่าขอเหม็นของเสียมาเคังใส่ของทำทำไม่สะอาดเช็ดชอยสิ่งที่ราคาคุ้มค่าเขาเอาเลยไม่งึนในถังขยะเขาเก็บรักษาเอาไว้ นี่จิตใจของพวกเราท่านก็ท่านองเดียวกันธรรมะซึ่งเป็นของมีคุณค่าสารสูงนั้นไม่ค่อยจะเกิดในจิตในใจของพวกเราเลยมากมากอยากจะมีตัางแเกี่งฉั่วเสียต่างๆอารมณ์ชั้นยาที่ในหน้าปราถนาะมันเกิดขึ้นมันตกลงแต่จิตมันก็รับเอารับเอา ก็หวุนวายบนทุกอย่างนั้นบนทุกอย่างนี้แต่ไม่เคยคิดว่าจะแก้ไขแต่ปุงจิตใจของตัวให้ดีให้บุลแต่ก็บนอยู่อย่างนั้นบนว่ามันทุกมันหวุนวายมันไม่สงบมันไม่สบายใเล่าเขามาลบเกวนเราแเรานั่งอยู่คนเดียวในป่าในเขาในที่สงบที่อื่นก็สงบหมด ไอ้เรื่องของจิตเรานี้ทาไมมันไม่สงบให้แล้วมันจะเชื่อเรื่องสัญญาอารมณ์เรื่อยไปหรอกหรืถ้ามันเชื่อเรื่อยไปไมกลัวมีโอกาสเวลาที่จะสงบเราจะต้องตัดสัญญาอารมณ์ออกไปจากจิตจากใจของเราเราจะบริกรรมด้วยกำหนดบททำอะไรให้ตั้งใจกําหนดอยู่นะ มันจะเกิดขึ้นผานมาอย่าไปกังวลกับเรื่องอารมณ์สัญญาส่วนนั้นเพราะเราเคยติดตามมาแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรเรายังจะหลงไหลยังจะบ้าไปตามสัญญาอารมณอีกแล้วก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสาระในใจเราต้องตัดชินใจห้ามจิตใจของเราหลาอย่างนั้นไหนเราตั้งมั่นในอารมณ์อันใดปฏิบัตมอยู่นั้นดิ ตัง้งหนักอยู่นั้นมันไม่เด็ดเผอออกไปตามสัญญาอารมณ์อันอื่นถึงไม่รวมให้เราก็ไม่เด็เสียใจพราเราไม่ได้เผอโลออกไปสู่อารมณ์ภายนอกพอยที่จะเกิดความชั่วความเสีย อ, อ, อ, อะไรเราไม่เดดคิดในอกุศลทำใจจับอยู่ในกุศลของกุศลกระทั่ ง, งถึงยันในถึงขังง้นสง เราคงไม่เสียใจให้เราความสงบยังไปล่ะเราควรรู้ควรทราบความสงบของจิตของใจนี้มันมีคุณค่าสารสูงจริงมันเบามันสบายมันเย็นคนทั่วไปที่เขาหลงไหลในโลกก็เพราะเขาไม่เห็นความสงบของจิตอย่างนี้ เพราะจหลงไหลใส่ขันกันถ้าเขาเห็นอย่างนี้ทุกคนใจจะได้มีการหลงไหลไม่มีการเทลิเพลินในเรื่องของโลกเพราะเรื่องเหล่านั้นมันเหมือนยาพิษเกื่อนเหมือนตาวามห้คนหลงคืนลงไปแต่รับทุกรับโทษสามารถเห็นความสงบเย็นของจิตอย่างนี้จึงเป็นธรรม เป็นของดีของดีของมีสาระเขาจะไม่หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเราเองจะทราบจากความเป็นความเหตุของเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกว่าอันนี้มันดีมันดีเสียเราเข้าใจในตัวของเราเองว่าจิตชนิดนี้เราเคยเห็นเคยเป็นมาก่อความเป็นความเห็นของเราในด้านของโลกเราเคยเห็นเคยเป็นมา กิอีกตายอีกมันก็แค่ที่เราเห็นเราเปลี่ยนไปไม่มีอะไรที่จะมีจะวิเศษไปกว่านั้นถ้ามาเห็นอดเห็นทำมันก็จะหลงท่องเที่ยว อ, อยู่ในวัฏฏะเรื่อยไปถ้าเห็นอดเห็นทำในใจอย่างนี้มันจะยินดีที่อยากจะประพฤติปฏิบัติเมื่อมันสงบรวมรวมได้ดใจมันก็มีกําลังสามารถที่จะที่นี้ที่เจอนะจินต่างๆ ปัญหาคของใจให้ตกออกไปให้โลนออกไปให้หลุดออกไปนี่คือการภาวนาสําระกิเลสถูอถี่มาปฏิบัติมีศรัทธาต่างหน่ามาปฏิบัติกันไม่ใช่ว่าถูกบังคับบังชอถูอกกระเจนมาต่างคนต่าง ม, มีศรัทธาจะมาปฏิบัติจะอย่าไปผัดบันประกันพูุ ต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาจิตใจของตัวเอาไว้ให้เห้นให้เย็ น, ใ ห, นให้สงบจึงจะได้เชื่อ่ผูกปฏิบัติมะเห็นทะจึ่งจะไม่มีความสงสัยลังเลใจในเรื่องของศาสนาสามารถเหนิพพานพระพุทธเจ้าจรได้นิพพานไปนานขนาดนี้แต่ยังมี ไหนเนาะในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นเนื้อรู้เน่มีการสงสัยเนี่ยแตทับใจที่ว่าธรรมะเป็นอาริยโกคือเนี่ยมีการมีเวลาผ่านต่างหาต่างตาปฏิบัติรักษามันก็เห็นก็ย่นก็สงบอย่างนี้นี่เป็นพยายามแต่พยายาในตัวของตัวแต่นั้นขอทุกท่าน เรงเหมือนที่ไม่ิจะากำหนดรักษาต่างงานปฏิบัติธรรมะจะในนีอยู่นะกำลังกำลังจะเกิดข to uh ึ้นมาจากจิตจากใจของตัวเราได้อ่านได้รู้ได้ที่ม่ิจาได้กำหนดรักษาเราเขียนเราเป็นธรรมะในจิตในใจจะเื่อเรารักษาศาสนาเราบำรุงศาสนาเรา พ้ายามศาสนาให้เจเริญต่อหน้าถ้าเราไม่เห็นไม่ เ, เต็มเจริญตลอดเวลาได้ไหมาขนาดไหนจบถ้าไปที่โดกก็เถออย่างที่เหลือปัญหามันหัวร้วอนย่ออยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรจะตกหล่นออกไปจากจิตจากใจข้องตัวแต่นั้นธรรมะด่านปฏิบัติมันจึงมีอยู่ในภายในคืออยู่ในกายในใจเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นจะไปหาที่อื่น หาลอยหลงมมีวันเจอให้ดูภายในดูใจดูใจของตัวเหววมือนเชืคนทราบว่าธรรมะมีอยู่ภายในโคจงพาปัญผลคิดพิจารณาพารักษาธรรมะเอาไว้่อแค่นั้นไปคุณจะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะถึนว่าพอสมควรเจเวลาพอยุดจิตเชิงแ่นี้เอวัง